ทำมานุปัสสนาหมวดขันสา3ร้อิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่อย่างไรคือพิกษุในธรรมวิไ น, นัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย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 ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ 4. สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสังข า, า, ารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ 5. วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้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 หมวดขันจบธรรมานุปัสสนาหมวดอายตนะ384ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในหกและอายตนะภายนอกหกอยู่ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอกหกอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดตารู้ชัดรูปสังโยชน์ใดอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชน์นั้น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 สังโยศใดอาศัยใจเป็นธรรมรมทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชนั้นการเกิดขึ้นแห่งสังโยต์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยต์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและสังโยน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีก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 และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในหกและอายตนะภายนอกหกอยู่อย่างนี้แหละหมวดอายตนะจบธัมมานุปัสสนา หมวดโพชชง385ริกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชชงเจอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชชงเจอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เมื่อสติสัมโพดชงภายในมีอยู่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 มีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. เมื่อธรรมะวิจยะสัมโพธชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าธรรมะวิจยะสัมโพธชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อธรรมะวิจยะสัมโพธชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าธรรมะวิจยะสัมโพธชงภายในของเราไม่มีอยู่ การเกิดขึ้นแห่งธรรมวิจยะสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งธรรมวิจยะสัมโพธชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อวิริยะสัมโพธชงภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิริยะสัมโพชฌงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งวิริยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และความเจริญบริบูรณ์แห่งวิริยะสัมโพธิชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่อปิติสัมโพธิชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าปิติสัมโพธิชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อปิติสัมโพธิชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่า ปิติสัมโพชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งปิติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งปิติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่อปัทธิสัมโพชงภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่าปสัสธิสมโพธชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อปสัสธิสมโพธชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าปสัสติสมโพธชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งปัทติสมโพธชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และความเจริญบริบูรณ์แห่งปัะสัาิสัมโพ์ชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นหกเมื่อสมาธิสัมโพ์ชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพ์ชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อสมาธิสัมโพ์ชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่า สมาธิสัมโพชฌงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งสมาธิสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งสมาธิสัมโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นเเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น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 ไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกพิกษุทั้งหลายพิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือพุทชงเจดอยู่อย่างนี้แลหมวดพุทชงจบภาณวานที่หนึ่งจบธรรมานุปัสสนาหมวดสัจจะ 386ภิกษุสทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิสษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่อยู่ภิสษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่อยู่อย่างไรคือภิสษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกขะสมุ ท, ทยัย รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรคามินีปฏิปทา387ทุกขอริยสัตว์เป็นอย่างไรคือชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาราความแก่เป็นทุกข์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 การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์388ยชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดความเกิดพร้อมความยังลงความบังเกิดความบังเอิญเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ พิสษุทั้งหลายนิ้วเรียกว่าชาติ389ชาวราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคลํำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่ง่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ ภิกษุทั้งหลายนี้วเรียกว่าชาราสมรอามรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรตยูการทำกาละความแตกแห่งคันความทอดทิ้งร่างความขาดศูนย์แห่งชีวิตตินซี ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ามรณะ191โเกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกกิกริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายใน ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึง่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่งกระทบภิกษุท์ทั้งหลายนี้เรียกว่าโซกะ392ปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคล่ำกรวนกรริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คลั่งกรวนภาวะที่ร้องไห้ ภาวะที่คร่ำครวนของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปริเทวะ393ทุก้าทุกเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์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 395อุปายาตเป็นอย่างไรคือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึง่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่งกระทบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปายาต396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 หรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่พาสุขปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่มีความกเกษมจากโยคะของเขาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์397กาการพลัดพรากจากอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์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 ปรารถนาความเกื้อกูลปรารถนาความผาสุกปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตหรือญาติสาโลหิตภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์398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 ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ลาวสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาลาวสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาลาวสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาลาวสัตว์ผู้มีความโศกความคร่ําครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจเป็นธรรมดา ตางก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชะไหนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความโศกความคร่ําครวนความทุกกายความทุกใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเลยและขอความโศกความคร่ําครวนความทุกกายความทุกใจและความคับแค้นใจอย่าได้มาถึงเราเลย ข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์199โดยย่ออุปทานขัน5เป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือรูปูปทานขันอุปทานขันคือรูปเวทนูปทานขัน อุปทานขันคือเวทนาวินยูปทานขันอุปทานขันคือสัญญาสังขารูปทานขันอุปทานขันคือสังขารวิญญาณูปทานขันอุปทานขันคือวิญญาณพิกษุททั้งหลายเหล่านี้วเรียกโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์พิษุททั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขาอริยสัจ